คนสนใจมันจะพอ่อจะคนมแมลงพึ่งมันจะสนใจเหมือนกันจะมีดอกไม้การปลูก ด, ดอกไม้ก็ต้องอ ม, มีความรู้ด้วยวดอกไม้มันต้องอาศัยอาศัยน้ำอาศัยปุ๋ย ธรมาเคยเคยปูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการระบายอารมณ์เราด้วยมมีอะไรเราก็เป็นส่วนดูแลช่วยให้เกิดความรู้สึกจิตใจอ่อนโยน ถ้าเห็นดอกไม้ใจิตใจมันจะอ่อนโยนดอกไม้มันไม่มีวิทยาศาสตร์มันไม่มีอะไรมันแต่มันมีวิทยาศาสตร์ในตัวของมันเองสีแดงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มี <c oughs> นะักที่เขาเรียกว่านะ เหตุผลต่างๆก็มักจะเอาเคมีต่างๆมาผสมผสานจะทำเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงมาสผสมผสานกันแต่ดอกไม้มันไม่ได้ทำเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติของมันจิต ใ, ใจอ่อนโยนมันก็ไม่เหี่ยมโหด ม, มีความรู้สึก มีความสพฉะนั้นผู้ที่เขามีส่วนกับการจัดการการบริหารเขาจึงมีชื่นในพื้นที่ที่เขาจะต้องเข้าไปมีส่วนดูแลเขาเรียกว่าอุทยานบังสวนดอกไม้สวนนก บรรยากาศของพื้นที่นั้นมันคลายมันคลายความรู้สึกทางด้านจิตใจให้อ่อนโยนเราก็เคยอยู่ทางโน้นเราก็เรียกท่านว่าพ่อหลวงบ้างนายหลวงบ้างพระเจ้าอยู่หัวบ้างแล้วก็พูดอย่างนั้นเวลาที่มันเหมาะสมท่านก็ถือตะไคร้ แต่กายเล็กๆไปตกแต่งดอกไม้เขิมไม้ต้นไม้ ừ, ช่วยให้มีอารมณ์ที่อ่อนโยนอก็เรียกว่ า, าอารมณ์มันอ่อนโยน ừ, มันก็เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการเพาะปะสังสันต่างๆแค่เป็นไปในทาง หรือไม่มีอารมณ์ที่เรียกว่ามีอันตรายก็ดีอย่างนั้นแต่ว่าการปลูกกันอันนี้ก็ต้องอ ม, มีความเข้าใจด้วยปลูกดอกไม้ประเภทดอกกุหลาบแต่ว่ามันมีนหนามหน่อย <c oughs> ยังก็ต้องดูแลมันเป็นดอกบานมูลีเขาชื่อให้มันหรอกแต่ว่ามันไม่มีชื่อหรอกก็เอาชื่อให้มันดอกทานตะวันพอเวลามันบานมองไปความเขียวกับความเหลืองแล้วมันเป็นเรียกมันเรียกร้องมันเรียกร้องให้เรานั้น ยอมรับมองเห็นแล้วก็ไม่น่ารังเกียจถ้าเป็นอย่างนั้นแม้แต่มแมลงวันมแมลงผึ้งมือนก็มีส่วนยอมรับถึงกับเรียกว่าทำให้มแมลงเหล่านั้นต้องมีส่วนผูกพันถึงกับได้ดำเนินชีวิต อาศัยดอกไม้เป็นส่วนประกอบที่พวกเราสร้างวัดกั น, กนเนี่ยสร้างวัดเราสร้างดอกไม้หลัง <c oughs> ากม่สร้างวัดทำวัดสร้างวัดขึ้นก็เพื่อเป็นสวนดอกไ ม, ม้เรามีส่วนกับรู้จักวิธีการ มันก็เป็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกเราก็พลอยได้ได้ความรู้ไปด้วยเพราะความหลากหลายของคนมาในพื้นที่มันต่างคนต่างมีประสบะการมาไม่เหมือนกันมเมื่อมาถึงวัดบอกว่าเป็นสถานที่ไม่มีความลับ เราก็มาเปิดเผยกันได้น้มามาเปิดเผยอก็มันก็ฟลอยให้แต่มาช่างเกตทางโน้นเนาะทางโน้นพอมาวัดแล้วเขาก็เอาเรื่องวิธีชีวิตภายในที่สังคมก็นำมาพูดจากันเห <c oughs> มือนกับว่ามาขายมาเปิดเผย ให้คนอื่นได้รู้จักว่าเราเป็นอย่างไรเรามีอะไรทำนอกนี้แหละก็ได้เป็นความรู้เหมือนกันอาจจะได้ปรับปรุงว่าอันนี้มันเป็นส่วนในทางให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรคเราก็ระมัดระวงังกันได้จากประสบการณ์ที่เรามาร่วมกันนี้แหละ แล้วก็มีส่วนส่งเสริมตัวเองไปด้วยสิ่งที่เรามีส่วนกับการเป็นอยู่อริยบทกิริยามนยญาตทุกอย่างที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็เรียกว่าอุปกรณ์ของนักล้องนักแสดงก็อาศัยกิริยามนยญาต คนเราก็ต้องฝึกกิริยามานรญาตให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าภาษาเราก็เรียกว่ามันมันนิ่มนวลมันอ่อนโยนมีสมาคารวะมีความเกรงอกเก่งใจการมีส่วนปฏิบัติต่อกันจะพูดมากก็มันก็มีความรู้สึก พูดในทางไม่ดีมันกลละมัดละวังเหมือนกันแล้วก็มามีส่วนมาฝึกเรายิ่งมาวัดออ้าฝึกมาวัดต้องเ <c oughs> ้าเคยพูดใช้เสียงความถี่สูงก็หยุดลงเมั้ยความถี่สูงนี่มันเสียงมันลบกวันคนอื่นเขามันทำลาย ขาดความจํานึกเราก็ลดลงภาษามันก็เป็นส่วนหนึ่งกับการปฏิบัติตัวนเราก็ลดแบบไม่ให้ทําอะไรแบบมไม่ทํานึงถึงสังคมที่เราอยู่เลือกพื้นที่นี่ก็คล้ายๆกันเราก็พลอยเป็นผู้มีการชํามรวมไปในตัวชั้มรวมแล้วกลายเป็นการรักษาตัวด้วย อาชากันเรียกว่ารักอรักษาตัวรักษาตนระวังตัวระวังตนนี่นก็เป็นส่วนประกอบเงนินเหมือนเรามีวัดนี่แหละท่า น, นบอกว่าให้รู้จักในส่วนของการเป็นอยู่แบบเป็นผู้มีสมบัติสมบัติของมนุษย์สมบัติของความสมบูรณ์เรียกว่าอืม เราก็เรียกในรูปแบบว่าเป็นคนสะอาดมีจิตใจที่สงบาอาศัยอันนี้ถ้าเรารู้จักเก็บตัวเองในรูปแบบดีๆมันก็คอยมีนิสัยแต่เราไม่รู้จักเก็บกดเก็บตัวเองไว้ในที่เหมาะสมมันก็มันก็เสียหายเหมือนกัน ล้านเพิ่นจังไห้ขอมูลว่าขกันเท า, า, า, า, านอาหารทานอาหารขี่กันกับ ม, มีส่วนกับการปฏิบัติการผูดการจาเหมือนกันของเก่าเก่าเรื่องเก่าเก่าสิ่งที่มันเป็นส่วนที่เรียกว่านำมาถึงความ รู้สึกใหม่เหมาะสมแล้วก็สลรดมันออกไปคนว่าจากไหนเพื่นว่ากันเห่านุ่งผ้าลายม้าเห่าคนว่ากันมาจักม้าเหาว่ะนุ่งผมาลายม้าเห้าเรืี่องเก่าพิษกันเพื่นว่ากันเปลี่ยนเื่งที่มันซ้ำซากนํามากจนความ โคตโฮมันทะเลาะกันทะเลาะบอแย้มกันมันก็เสียนั่นเท่าก็บหูจักโคตจักกันตัวอันนี้ครับคือกันเอามีวัดแล้วก็หูจักหูจักรักษาเอามารักษาก็บอกเรนว่าให้มาวัดชั่วยมือให้หูจักปฏิบัติตัวปฏิบัติตอนชีวิตของเท่ามันบ่น่าน อายุของเหานียมันหมเกินปรีราพนจังวาสัญญาณของอเรียก ว, ว่าพญามาจุาราปชาพันวาสัญญาณของพาญ า, ายมบานปูนาตเน่าง่ายเห่าหน่สิรัพญายมบานยู่ใสเหาก็บเคยได้คิด เปิ้ลจังให้ขอมูนุษย์พญามมัดจุฬาเปิ้ลว่าให้อืพญาย่มมาบานั้นมาอ ม, มาบันทึกมาเตือนสติอว่าไก่ไก่เบิดว่าละเปิ้ลว่าเปิไก่เบิดว่าลาเปิ้ลบอกเลยขันเคยสูงมันต่าขันเคยดํามันขาวขันเคยเง้ยวมันสัน้น มันคยมันมันคอนชนะสูงมันต่าคอนเห้านั่นแงทวงหองหลกันคอนคยสุเท่าแก่มากมันิต่ำรงแงทวงห้องหลกมันเป็นสังสรค์คอมมันต่ำยดามันขาวกับโฟเหานี่แหะหัวใจกว่าไทยไปบอกมัน มันเ <c oughs> นาะันคือชั้นยานพื้น่ า, นาเคยมันมันค้อนพื้น่าเคยมันมันค้อนแควอตมาออกไปหลายหลิง <c oughs> ปีหนึ่งไปว่างซีลาลื วางเชืราเลยยอโ้ไก่ไก่กอลกไต่เอเมื่อแีอ้วนยูก่ไก่กับกอเห็ดสมเนียวางเชืราเลยเห็ดสถานที่สำหรับอบล่มปฏิบัติธรรมธรรมสังฆกรรมของพระสงือนอื่าส<อ>ั่นสิวางเชืราเลยธารมกว่า เอาสียเอายั้งเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยบอกว่าเอาพรพุทธลูเอาผ่าใตมันเป็นจวนประกอบของบ <c oughs> ริการใส่กับกองอกัางคืนมากแข่ารถออกก็เลยแขวมันออกเองมันทรมลายมันออกมา <c oughs> มสิ น, นะวะมันออกไงปันนีคือยินดีเป็นเพื่อกัน มันจะออกผอม ก, กันบ้ก <c oughs> <c oughs> ็บ่รยากาศเลยสิกลายเป็นเลกหน่อยเลย <c oughs> เยังหน่อยพวกมีแขวคัน้อกมันเป็นธรรมชาติยังสั่นเห่าก็ฟป้ากับเปงิงยาสีจะจะคือว่ามันเป็นเหลืองเงื่อนี่ยมันเป็นเรื่อง ข, องข้อเหง้าสัเตือนสติเห่าก็ระมัดระวังเตรียมตัวเตรียมตนอย่าสีจะจะทําให้มันอื เกิดความโมเสึกวะดีก็บเคสกันเน่เรากัสีได้สติเออกับเบอคิดเขียดคิดสั่งให้ผู้ใด <c oughs> กับหน้าบ่าเขีย้ยบอสั่ง <c oughs> ใจของเห่ามันกับพ่อยิ่บอให้เกิดความโมเสึกมีโทษมีอันตรายเบิ้งกันแดงสัน้นจังว่าคุณช้างวัดเนี่ยแต่มาว่าอยู่นี่ ม, มีโอกาสฝึกกันแน่ยังหน่อยกับเรื่องการมีสิญย์โยของพระเจ้าพระสงฆ์ข้าว่ามีโอกาสมากคู่มือด อ, อกพอคิดการงานเกี่ยวกับารเป็นโยก็บมันแต่ต่อกมีส่วนประกอบข้าวที่มีโอกาสให้ความสะดวกเพลินกันแน่นเพล่นมีโอกาสไปในรูปแบบคิดจวัดของเพิิอนอย่างไป มินนบ่าได้เอาก็ยังได้โอกาสได้อโอกาสสํานึกในรูปแบบอของการเชียรสระของการให้ทานมันก็มกัเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดมาโดยอาศัยการเสียรสระของพอ่อของแม่นี่แหละพ่อแม่มันก็มีส่วนของการเสียรสระในการทนุถนอมดูแลทุ่มเท พอเห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากคือกันมันก็เป็นความดีปูกปูกพัฒนาธรรมอันเป็นชวนของการอยู่รวมกันโมเมนสิให้หลายดอกอน้ำมากคยเป็นเล็กนอ้อยก็บโมเมน์เล็กน้อยแล้วก็หุ่นเรื่องนั่นละใช่ไหมนั่นก็ระบบ ของการเป็นโยมันกับวัสดุมาไในแล้วไม่ขีดไฟก็หาอยากได้ mm hmm. เงินนะแต่ว่าใส่ใส่ระบบเล็บไฟปอ ก, ก น, นะซาโบรานเพิ่นมึนมมงนว่าหูหรอกแต่ว่ามันมาจางนี้บางเท้อเพิ่นกะสุมไฟไว้ขึ้นมาเอาเอ า, เอาใหม่มาสุมเป็นไฟมันติดติด ต, ดตดิแล้วเพิ่นกเอาขีเท้ากบไว้ อไก่ซีแจงซีแล้วไก่ซีแจงซีอทีซีทีหาเพิ่นกามาเอากีเท่าออกครับอืก็ไฟมันกระติดโอเคคื อ, อมาเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าให้มันท่านจัดรับเจ้หาหัวมาบินบนบะเพิ่งมาเสรันมือได้่อได้ใช้บินบำบัดมือนั่นก็แสดงว่าอืม อบอกว่าสบายฉันน้เป็นเหตุกันหนึ่งชัก็จะหวัวคนสบไปบินตำบาทกับประมาณชักหกม่องครงหรือสองยักม่องหนึ่งนี่แหละก็แต่ก่อนเป็นอย่างชัดตีหาทียังก็เหตุกับเขา่ากับน้ำก็เกือบสีแล้วพอดีอ หอกมองเชร้าวสว่างยิงพวกเฮ็ดมการดําเนินชีวิตแบบ ห, หลังสูภาหนาสูดิ น, นเริ่นว่ากเกษตรก ร, รเกษตรกรรมก็ต้องไปแต่มาเป็นเล็กน้อยอนก็มีส่วนเอาอาหารหายแล้วก็ไปโอ้มไปแจ้งหนาพ งานธรรดาได้ฝึกงานลูกต่อให้หู่จับตื่นโต้บาทีได้ซอยจากของมันเองเป็นแล้วฝึกเสร็จโมก็ค่อนเสมอค่อนเสมอเพื่นห่วงลูกเพื่อนยันได้ลูกเพื่อืมแข็งแรงเดี๋ยวถึงมันนอนอย่ นาเตไปปลูกมันตือนนี่ิดโตอยู่อบ่เตืนง่ายไวันวันหลายคายให้อืมอนบ่ซ้อนกันซอนไว้อ่สังเกตบงที่เราควงมานี่ควงมาห้ากินนี่ควงตัวนึ่งช้อตัวกินไปมันก็น่น่ันตัวนึงไปเลย นอนก็ น, นอนมาดลมนี่ยพอข้อยี่สิบที่ลุกไปไปยังสั่นได้ว่าสั่นมันก็บเบิดพันธ์ที่ละอเอาล้วให้พ่อดเนะาะ <c oughs> ยะทาวะนิวังอาปูดาปนิปูเดนเตี จักขลังเอวะเมวัโตที่นังเพตานังอุปางกปติอิติตังมาติตังตุมังคิปะเมวัดสมิจัตโตสัพเพพลันโตสังกาปันจันโทปนาราโตยะถามอณิโทตินาโตยะตัง ปิติโยบิวัตสันตุซาล Ah. Uh... สมเะาสัมนตมาเวนะสตสติภวเตาวะโสัพพังลังตสัปเวตาสัพมนุภาเวนะสตติภวันโตเตาวสัังัง ขันตาสาวะจังขนาเวนะสัตสที